บางคนก็จะตั้งใจสมาทานโนบะโสตสินสินวันหนึ่งกับคืนหนึ่งบางคนมีธุระมากมีเวลาน้อยก็สมาทานสินห้าประการโดยปกติการสมาทานศินวันนี้จงพากันตั้งใจให้สงบดับตาเอานั่งสมาธิให้กำหนดเอาเอง ว่าใครจะสมทานอุโบสถศิลก็ให้กำหนดในใจงดเว้นโดยตนเองจะสมทานศิลห้าก็กำหนดในจิตของเราว่าสมทานศิลห้างดเว้นโดยตนเองการกำหนดเว้นวันนี้เพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายมีความฉลาดขึ้นตามเวลาอันสมควรที่เราเคยสมทานศิลมานั้น โดยมากเป็นสมทานจากพระภิสุคือท่านบอกไปก่อนแล้วก็วาดตามวันนี้พระจะไม่บอกบอกมาหลายภาษาแล้วให้นั่งสมาธิกำหนดตามที่ท่านอุบาสกที่ได้ประกาศลักษณะองค์ของอุโบสถนั่น ตามความเข้าใจของเราทุกคนอืมเราเตรียมตัวนั่งกําหนดให้กําหนดเอาเองสมาทานในใจของเราใครจะสมาทานโสถศีนก็ตั้งใจไหวในใจอย่าไปตั้งใจไว้ที่อื่นให้ตั้งใจไหวในใจให้ฟังให้มันดีตั้งใจไว้ที่ใจของเรานั้นเป็นสัมปตาวิรัตงดเว้นเอาเอง แม่เราจะสมทานจากพระผ้นที่สุดแล้วก็ยังไม่พ้นสัมปตวีรัตงดเว้นโดยตนเองอยู่นั่นเองบัดนี้ให้พวกเราทั้งหลายตั้งใจเป็นสัมปตวีรัตจะเป็นศิลอะไรอะไรมันก็ได้ทั้งนั้นนี่ือทำให้พวกอุบาสกอุบาสิกาเราทั้งหลายพากันฉลาดขึ้นบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีพระ บอกศีลก็น้อยใจไม่รู้ว่าจะรับศีลจากใครไม่รู้ว่าศีลอยู่ที่ไหนก็เข้าใจว่าศีลอยู่กับพระถึงนั้นถ้ามีพระแล้วก็ดีใจว่าท่านจะได้สมทานศีลอันนั้นมันมีความหมายน้อยให้มีความหมายมากสัมปไตริรัตน์งดเว้นเอาเองก็ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจของเรา สมทานอวิรัสการว่าตามพระแล้วพึงงดเว้นตามที่ท่านบอกไปนั่นเป็นสินที่สองที่สามสมุเฉทวิรัสเรียกว่าอะไรอะไรที่ว่าจะทำให้เรามีโทษทางกายทางวาจานั้นเราก็งดเว้นเอาเลยอันนั้นเป็นสินอันยิ่งยวด ยิ่งยอดที่สุดเป็นสินของพระอริยะบุคคลวันนี้เพียงแต่ว่าเราให้งดเว้นด้วยตนเองไม่ต้องว่าตามหลังสะไปก็ได้ต่อไปนี้จงตั้งใจกำหนดด้วยกำลังสมาธิให้สงบระงับสักเวลาหนึ่งก่อนเอาคร้อมตั้งใจทำได้แล้ว นัโมตัสสะปะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะปะกวาโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธมังสังังนมจามิอิโตังสัจจังธรมโมโสตโพตีอวัดนี้ ญาติโยมทุกคนในพุทธบริษัททั้งกรหัตในบ้านปราชิตในพร้อมกันมารวมกันนสถานที่นี้ที่เรียกว่าสราลงธรรมเพื่อจะอบรมจิตซึ่งเป็นตัวสำคัญในรูปร่างอันนี้จงพากันตั้งใจฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ตามภาษาพวกเราทั้งหลายพ็เข้าใจกันว่าเป็นบรรนพระทำไมจึงเรียกว่าบ้นพระ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 ชีวิตของพวกญาติโยมทั้งหลายนั้นลำบากท่านจึงให้ถึงยี่สิบหกวันให้ละซึ่งที่ควรละมาบำเพ็ญให้เป็นปกติกายเป็นปกติวาจาเป็นปกติของใจประมาณเพียงสี่วันอันนี้น้อยคนก็จะเข้าใจ บางคนก็เข้าใจกันว่าไม่มีวันพระวันคนเลยเนี่ยดึงไปเป็นวันคนซะหมดท่านแบ่งให้ถึงยี่สบหกวันแล้วก็ยังมาแย่งเอาวันพระไปอีกสี่วันก็เลยหมดเลยเป็นสามสิบวันเนี่ยเอาหมดเลยทุกวันนี้วันพระจะไม่เหลือใช่ล้วเอาไปเป็นวันคนหมดแต่อย่างไรก็ตามระเพณนีครูบาอาจารย์ทำกันมาก็ยังเป็นวันพระอยู่เดือนสี่วันเป็นวันของคนอยู่ประมาณ ยี่สิบหกวันอันนี้เราอยากให้ขาดโดยมากตัววันนี้มาแย่งเอาวันพระไปเกือบหมดแล้วเอาไปเป็นวันคนหมดบางบ้านบางวัดก็เลยแย่งเอาวันวันพระไปเป็นวันคนหมดเป็นสามสี่วันเลยไม่เหลือเป็นวันพระเอาไปเป็นวันคนหมดน่าอายนะท่านแบ่งให้ทั้งยี่สิบหกวันก็ยังไม่พออีกเหลือเป็นวันพระเพียงสี่วันก็มาแย่งกันหมดนะไม่ค่อยจะมีสำหมดอืม เมื่อมันหมดวันพระไปเท่าไรก็ยังความเหลือด้อนก็ยิ่งเกิดขึ้นมากเท่านั้นให้พากันเข้าใจพระถ้าพูดกันง่ายๆนันพระคืออะไรเดี่ยวกับวันพระวันพระก็คือเป็นบรรที่ตั้งจิตตั้งใจหลับหลับพิษหลับภัยหลับราคะโทสะโมหะให้อดกั้นให้พยายามให้ได้พกพระ อย่างวันนี้เป็นมนโนโสมที่ท่านอุบาศกอุบาสิกาทั้งหลายผู้มีเวลาอันสมควรก็มาตั้งใจรักษากายวาจาอยู่ในวัดทาไม่เป็นพระคล้ายให้มันเป็นพระไม่เป็นพระก็ให้มันเกือบจะเป็นพระที่มันจะมีความโมโหโทโสอะไรประการใดประการหนึ่งกัพยายามลดละวันนี้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 เพิ่มภูมบา ร, รมีขึ้นจนการประพฤติปฏิบัติเขนนี้ไปตั้งอยู่ในสันดานของพวกเราเมื่อนึกจะทําสิ่งที่ไม่ดีก็มีความละอายอยู่แล้วหรือเมื่อคิดจะพูดในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดความละอายอยู่แล้วเมื่อจะทําสิ่งที่ไม่ชอบทําอันไดก็มีความละอายอยู่แล้วเพราะทําไมทําไมมันถึงมีความละอายเพราะเราได้ผลจากการฝึก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 โดยไม่นำมาด้ ว, วงอันนั้นเรียกว่าผู้ไม่ได้ฝึกหัดพุทธบริษัทเราทั้งหลายเข้าใกล้พระเราเคยเห็นไหมอย่างโยมผู้ชายเราถ้าหากว่าเดินไปกับพระถ้าเห็นโยมผู้หญิงมาแล้วก็เรียกว่ามไม่ออกอเห็นไหมไม่ออกถ้าไปกับพระต้องเรียกไม่ออกนะ ไม่ออกถ้าไปกับพระเห็นโยมผู้ชายมาก็เรียกว่าพ่อออกพ่อออกไหมมันเสื่อมจะ ก, กันไหมอื น, นะถ้าไปตัวตัวเราไม่มีพ่อออกไม่ออกละ่ะเอือเข้าใจไหมนี่อะไรมันบังคับอยู่อัตมาเคยไปตามวัดหอ่ออือถ้าไปรวมๆกันแล้วผู้ชายก็เรียกผู้หญิงว่าไม่ออกแต่อยู่บ้านไม่เคยพูดอย่างนั้นหรอก ทำไมให้เป็นอย่างนั้นเออนี่มันเป็นสายอย่างนี้จนเป็นสันหลานพ่อของเราทั้งหลายเป็นเรียกว่าพอออกไม่ออกนี่เป็นประเพณีบ้านของเราะงั้นวันนี้ทันจิงว่าเป็นวรรพะฝึกไปเรื่อยๆเออบรรพะหลังนั่งก็ฝึกมาบรนพะก่อนๆนั่งก็ฝึกมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ฝึกไปเรื่อย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 มันออกมาจากใจมันจะพูดดีงามก็ออกมาจากจิตใจของเรามันจะพูดคำหยาบเฟ้อเจอร์ก็ออกมาจากจิตใจของเราถ้าเราทำจิตใจให้เป็นพระพูดยาปาศยกินิยามารยาทก็เป็นพระถ้าเราไม่ฝึกในเวลาที่เราไม่ได้ฝึกลอยไปตามเรื่องตามราวมันมาก็เหมือนกันกับญาติโยมที่พูดกับลูกหลานอยู่บ้าน มีการพูดคำหยาบพูดไปเจอเป็นปกติะไรมี่การพูดอยู่ชาวว่านไม่ถึงอย่างนั้นถึงแม้ว่าเราวันนี้เราจะมาวัดเมื่อก้าวเข้ามาวัดจิตใจเราก็ต้องเปลี่ยนว่าเราเข้ามาวัดเมื่อเข้ามาวัดจะพูดอะไรจะทำอะไรมันก็นึกถึงวัดที่เราอาศัยมานี่ เป็นเหตุให้ประครับประคองจิตใจของเราเห็นธรรมะไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็เว้นจากการโพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคาหยาบพูดประเจรได้อันนี้ก็อาศัยที่เราเข้ามาวัดมาฝึกการฝึกนี้จิตใจนี้ก็เหมือนกันกันกบเราฝึกเราพ่อแม่ฝึกเรามาตั้งแต่เด็กๆอืม ตั้งแต่เล็กๆเราเกิดมาตัวนี้เดียวตัวนี้เดียวอาหารการบริโภคก็เป็นนมเดลียวอืแม่เลี้ยงเรามาพ่อเลี้ยงเรามาต่อมาก็เชี่ยวข้าวเหนียวใส่กล้วยหอ่อหมกเหลียวให้กินเด็กมันก็กินมาเรื่อยๆมาจนก ว, ว่ามันจะโตโตขึ้นมานะ โตมาพร้อมสมควรแล้วก็เลิกล่ะการกินนมก็เลิกซะแล้วได้เอาข้าวเหนียวมาปั้นๆเอาเครือโรยซะเอาใส่มือให้มันเด็กมันก็กัดกินเองนี่ดูสึกว่ามันโตขึ้นมาแล้วอาหารมันก็แข็งขึ้นมามันข้นจากหยาบมาแล้วมันก็กินได้เด็กๆอยู่นั้นนะเราต้องอุ้มมันไปไปที่ไหนก็ต้องอุ้มมันไปอาหารมันก็เหลวเพราะมันยังเด็กอยู่เมื่อมันโตขึ้นมาอาหารมันก็แข็งขึ้น ข้าวกินเองเดินเองแล้วกับพูดเองใหญ่โตขึ้นมาถึงขนาดนี้ก็เพราะอะไรเพราะการเราฝึกการฝึกนี้แหละมันจึงเป็นคุณค่ามากยิ่เตินที่เราจะทิ้งไม่ได้ฝึกมาเรื่อยๆจนเดินได้จนวิ่งได้จนทำการงานทุกสิ่งทุกอย่างได้ โตขึ้นมาจนเป็นพ่อเป็นแม่ของคนสอนเด็กอื่นๆต่อไปอีกนี่ก็เพราะอะไรเพราะการที่ว่าเราได้ฝึกมาเราฝึกธรรมะก็เหมือนกันฉะนั้นฝึกธรรมะก็ฝึกใจฝึกใจให้เป็นธรรมะอะฝึกใจให้เป็นธรรมะใจมันจะโหดเที่ยมฝึกใจก็จะอ่อนน้อมอืมาเรื่อยๆมาจนกระทั่งเราเข้าวัดเขาว่า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 เป็นต้นว่าจิตของเรานั่นน่ะมันหลายอย่างนับมันไม่ทัว่วอันนี้ถ้าเราปล่อยมันไปอันนั้นเป็นอาการของจิตมันวิ่งไปตามอารมณ์ในไหนทุกอย่างมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งหลายเรื่องหลายเรื่องมันมาพบสภาวะทั้งหลายในโลกอันนี้มันก็หลายเรื่องหลายลาวคนก็เกิดความคิดอะไรมากมายจนไม่มีที่สุดจบอย่างนั้น พระบร ม, มครูของเรานั้นท่านจะทําความในนึกคิดของเราให้มันน้อยเข้าให้มันสั้นเข้ากั้นกรองเข้าไปให้มันละเอียดจนกว่าที่มันเกิดปัญญาที่เราเรียกว่าการภาวนานภาวนานี่อันนี้เคุนมันเกียกกินเผ็ดอร่อยเมื่อเรากินแล้วเราจะไปเกลียดเผ็ดเหรอเผ็ดมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ขิดินนั่นแหละกินข้าวเสร็จแล้วก็เอาไม้คนละแค่แค่นี้ ถือเป็นแถวเดินตามทางไปเจ๊ ก, ก็คิดคิดว่าเห็ดมันจะเกิดอยู่ตามทางเลยไปขี่มาขี่มาขี่มาเลยใส่กระตากันถังก้ามากลยเดินไปรอบภูเขาไมา่ก็ไม่มีเห็ุเนี่ยเออมันเป็นแต่อย่างนี้คิดว่ามันเอาง่ายง่ายแต่บ้านเราทาั้งหลายเนะี่ยเข้าไปเจ็บเห็ดตรงไหนมันมัเนเมื่อที่มันจะเกิดเหตุป่าไม่อยังไงจะเกิดเห็ดมันคงรู้จักเป็กๆก็รู้จัเกเจ๊กไม่รู้จักเห็นแต่มันเผ็ดมาอยู่ในถ้วย กับแบอร่อยอร่อยนั่นจะไปขี้มาเลยก็าดน้มันก็ไม่ได้นั่นนี่นี่อันนี้คุมือนกันเราจะมาทําจิตใจให้เป็นสมาธิเนี่้ก็คิดว่ามันจะง่ายง่ายเมื่อมันนั่งเนี่ยเออขาก็าปวดเอวกวปวดขี้เกียจก็ขี้เกียจร้อนก็ร้อนสารพัดอย่างเลยวุ่นมุนนโอ้ย จะมองเห็นสมาธิมันก็ไกลกั น, นกวฟ้ากับดินอ่ะมันจะเห็นยังไงได้เนี่ยอย่างนี้ก็ไม่รู้เรื่องมันจะทํายังไงถึงมันจะมีของทํายากยังไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันก็เป็นของง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นสบายขึ้นอย่างญาติโยมเราทั้งหลายที่มาฝึกกันนี้ขั้งแรกก็ลําบากอัตมาก็ลําบากเหมือนกันไปนั่งสมาธิกับครูบาฉันารยอยกระเดื่อตาดีๆขึ้นมาทรูบอาจารย์ทนเถอะหรือยัง เ, อ ง, อยงเนาะ ลืมตาเกินมาดูท่านยังหยุดเอาอีกดันไปเกือบตายเหงื่อตายเข้ามาล่ะมองดูอาจารย์สัน่นเช่อยอยู่เอาเอาแต่ยังไม่หยุดเอาอีกโอ้โหเกือบตายนะนั่งเป็นชั่วโมงสอ ง, องชั่วโมงท่านสบายเราเกือบตายท่แล้วแน่วันหลังท่านว่ามานั่งสมาธิกลัวทะแลว้วเข้าสมาธิกลัวเพราะควรแต่วันบานนี่นะทําไปเห็ดเข็ดมันนะดังนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจึงเป็นของยากลําบาก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 มันก็กินข้าวกินปลาพอมาถึงพระท่านฝึกแล้วท่านก็มาสอนว่าอย่าไปเบียดเบียนกันอย่าไปฆ่าสัตว์หมดท่าอะไรกับเรานะตลาดยุทธุ่งนาจะทําไงเนาะท่านห้ามไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้กินข้าวเท่นั้นแหละไม่ได้กินข้าวหมดปัญญาเลยเท่านี้ก็บดปัญญาเลยละ่ะไม่จะไปหากินยังไงเนาะมไม่มีทางในบ้านนอกของเรานะ ไม่มีทางก็ตลาดของเราอยู่ทุ่งนาตลาดของเราอยู่ในป่าเราจะต้องไปจับสัตว์จะต้องไปฆ่าสัตว์มันถึงจะได้กินนี่อันนี้ก็ให้อุบายกันหลายตีหลายเดือนเลยทีเดียวว่าคล้ายๆว่าคนทานากินข้าวอย่างนี้โดยตรงคนทานาก็ต้องกินข้าวอย่างนั้นคนเหยียบจักรอยู่ในตลาดกินอะไรกินจักรล่ะไม่กินผ้า นี่เราเราคิดอย่างนี้ก่อนที่เออเนี่ยเราทำนาเราติ่งกินข้าวแล้วคุณอย่าทำนาเลยไปทำงานอย่างอื่นใช่ไมไม่ได้ไม่ได้กินข้าวก็คงคิดว่าคนทำนากินข้าวกันทุกคนนอกจากการทำนาไม่ได้กินข้าวพกพอข้ายีบจักอยู่ในวารินอยู่ในอวบน่ะมันกินผ้ากับจักเหรอหรือมันกินอะไรเนี่ยไม่ขีดไฟกล่องหนึ่งที่เรามาใช้ในบ้านเรานะั่ะเราทำเป็นไหม อไม่เป็นทําไมเราจะใช่ไม่ขีดไฟเอามาจากไหนเนี่แต่ที่เรียกว่าใครทำไม่ขีดไฟเป็นจริงได้ใช่ไม่ขีดไฟอย่างนั้นมันก็เหลวเท่านั้นแหละอ่อน่ะถ้วยสักใบหนึ่งที่บ้านเราอ่ะเอ่อตามบ้านนอกเราทําเคยทําถ้วยกระไก่ไหมทำถ้วยถ้วยเล็กเสืสวยนี่มีไหมทาไม่เป็นอยู่ในบ้านเรามีไหมมีเอามาจากไหนนั่นนี่หน่อยสิ่งที่เราทําไม่เป็นนี่ แเราหาตะต่างเป็นไปซื้อมาก็ได้ถ้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนใช่ถ้วยต้องทำถ้วยเป็นทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เนื่องด้วยปัญญาของเราเน ะ, ะช้อนเราตักแกงยิ่งน ะ, นะเราทําไม่เป็นเราไปซื้อเอาในบ้านเจ็กก็ได้เ น, นี่ยนี่นี่เนื่องด้วยปัญญาแล้วก็ทําได้ทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นเราถ้าเราทําให้ดีที่สุดแล้วนะเราก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนจากคงมีปัญญาแล้วนะ เป็นประวัติกมัมสะอื์ประวัติกมังษะเนื้อสัตว์ที่มันตายแล้วพี่คนยังไม่รู้จักอยู่เป็นต้นทําไปเขตามเพื่อกินเพื่อขายเขาเรามีปัญญาหาอะไรจะเปลีป่ยนเนาะนการภาวนาก็มันมีปัญญาอย่างนี้อะไรมันผิดเราก็ต้องพิจารณาอย่า ย, า, ยาไปทําผิดอันนั้นแต่ทำให้มันถูกให้มันไปได้กับเพื่อนเขา ที่ใะจะทรงคุณวบุถิที่มนุษย์เราอยู่ในโลกตะวันนี้ก็อย่างนั้นทุกคนเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นแหละหรือสาวกของท่านก่อนท่านก็เป็นพุทธชนอย่างเราทุกคนทุกคนนั่นแหละจะเป็นอะไรมาเล่าแต่เมื่ออท่านมาปฏิบัติแล้วในเป็นโสดาสกีตาคาเป็นพันนาคาเป็นพารหันดังกล่าวแล้วนั้นก็เพราะการฝึก ฝึกเริม่มก็ถอยมาถอยมาถอยมาปัญญามันก็เห็นชอบขึ้นมาความละอายบางคนละอายขึ้นมานเรื่อยอัตมาเคยสอนนักปราดคนหนึ่งซึ่งเป็นทายกแต่เขาทำมาโมโสดสินเขาก็ทําทําอะไรก็ทำทุกชาตแต่เขายังหาปลาอยู่เขายังหาปลามาฟังธรรมอัตมาอัตมาก็เทศให้ฟังอีกแก้ไอตรงนี้คงไม่ได้เลย โดยมากครับใสเบ็ดเอาเบ็ดมงอไปเกี่ยวปากตานะนมาเข้าว่าเข้ามาในข้ามันมันมากินเบ็ดเข้าอาตมาก็เทศเลาะไปเลาะมาเนี่ยไอ่กันมาก็ทําอยู่แต่อายมันล้างอับเบ็ดในปักเออตัวไรตามันถึงแก่กรรมก็ามากินเบ็ดของฉันเนออไม่ถึงค่าวตายยังมากินของฉันเนอเนี่ยเพี้ยนไปแล้วนี่มันเพี้ยนไปซะแล้วเนี่ยแต่ก็ แค่ก็เอาไนตรงน้ำปลามันก็มากินกินก็เห็นอยู่ว่าเบียดมนเกี่ยวปากแม่สงสารมั้ยไงก็เอานะเอามาก็ไม่แน่ใจแล้วว่าปลามันไม่รู้จักความมากินเบียดเราว่าอยู่ในใจติดใจมันก็ยังไม่ไปหรอกมันเป็นพ่อเราเนี่ยแหละมามาล่อหรอมันึงมากินเราก็ทําไปอยู่ในนีอย่างไง น, นานๆไปหยุดไม่เอาคึงเอามาแล้วเป็นต้นไปฆ่ามันเอามาปล่อยไปในในในหมอ้อ เนี่ยคอยจางนานๆไปทีนานๆไปทีเหลือกบสิเนี่ยกบกบเนี่ยหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดเป็นอะไรทอยู่งั้นแหละอย่าไปทํามาเลยอืดูในดีที่กบดูดีๆสิโยมจะฆ่าก็ไม่ว่าหรอกแต่ไปดูมันดีซะก่อนจับมันขึ้นมาดูหน้าดูตามันจะบอกเอกบมันเหมือนลูกเราเนาะขามันก็มีแขนมันก็มีเนาะลืมตาอยู่นะ ดูทุกทีเอาแกก็ฆ่ามันฆ่าก็เห็นว่ามันบาปเยอะนะแต่วไอ้กําลังลูกเมียมันดันขึ้นมันไม่มีอาหารแกก็ฆ่าไปเรื่อยๆฆ่าไปเอออันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะทํายังไงน้อนะวันนั้หากรบมาหยุดที่จับมาที่นี่ไม่หักขามันที่นี่แต่ก่อนมันหักทั้งขาหน้าขาหลังมันทีเดียวเออกลัวกลัวมันจะออกจากหม้อจากข้องมันจับมาอืก็เถือว่าเราจับมันมาเฉยๆนี่มันเลี้ยงไป เราไม่ทําอะไรมันออกเราจับมาแบบเฉยเลยคนอื่นเขาจะทำก่อจังก่อเชิดเราไม่รู้เรื่องแต่มันรู้อยู่นี่ยนะทําไปมันก็รู้เราจับเข้ามานานไปนะคือมันมันเขาฆ่าเข า, าเราจับมันมาเนะ่ยนะเอมันก็โทษเราคนฆ่าสิเปอร์เซ็นตะมั่งนี่คิดไปคิดมาคิด ม, มันกินยาดแล้วมาจะไปกินมาเลยที่หลังอ่ะอไม่หักขามันจับมาขังแบบเฉยแม่บ้านมาเห็นก็ไปักไปทําไปทำก่เฉยมันเฉย ไ, ไม่ได้นี่ นี่ก็เป็นพอเราไงนะหากขาก็ไม่ใช่เราไม่หากขากขเพราะเราทั้งนั้นแหละฝนจะสุดในเลือกเลือกแม่บ้านะบวนไหนมีอาหารไหนอยู่ให้กินในวุ้นแลลงลงล ง, ลงบ้านนี้ไปเอาไปดิ้ดี้ก็เข้ามาวัดดิ้ดี้ฟังมาหาพระพระตะโ ก, กเทศใิ้ฟังกลับไปบ้านแม่บ้านตะเทศดิฟังเข้ามาวัากพระตะเทศดิถอยออกมา เข้าไปในว้านแม่บ้านก็ยุ่งเข้าไปโอ้จะทําไงดีน้อนี่น้อทุกลึกเกิดน้อทุกแคแท้วัเนกเกิดมานี่ทุกหลายคิดไปคิดมาก็จนยมแม่บ้านเขาพูดยังไงก็ไม่ไหวพูดหนึ่งเขาก็ได้ปล่อยได้โอกาสทำหลวงตาสุดมาจํามาจําศิลป์วันพระกับพระได้ก็อยู่ในบ้านไม่ฆ่ า, าศาสตร์กับเขาก็าไปหากินกับเขานี่ไปเป็นงเพราะ่าเปลียน ในในร้าะก่อนจะบวชนะนี่นะเขาให้เลี้ยงวัวให้ไปหากบ ม, มาแกงก็ไม่ได้กินเนาะไอเนี้ยเลี้ยงวัวแสดงไอพวกก็ไปหาช่างข้าวในในบ้านแกแกเฝ้าทับเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวใส้สายมามันหิวหิวน้ําก็เลยมากินน้าําจะเขา้าขบมาขังไว้ในกระถังอะ่ะเนี่ขาหลังมันก็หกักขาหน้ามันก็หักแล้วไอคนไปก็ดิ้นจังจังจังจังจ ๆ, ๆ, ๆ เอ้อะไรนาะนี่นาะไปดูโอ๊ยกบมันออกจากกระถังไม่ได้โอ้ยลูกเอ้ยเวีนกันเนาะจะไปชิมกับครัวเพื่อนจะรุมเอานาะจะปล่อยก็เนาะก็กบจะตายเนาอเดินไปเดินมาก็เลยไปจับกบแล้วเอกไปปล่อยในนู้นจะหนีไปโน้นไปเดียงวัวอีสาั่งทูนะเมื่อเพื่อนออกมาจากในบ้านนะมาจะมาทําอาหารกบไม่เห็นใช่แล้วใครกบเอาไปที่ไหนเนี่ย เพียงกันโดยวัยวัยท่านก็ไปเรี่ยงงัวฟังไปบางโพนฟังแม่จะเอาเราล่ะเออโมเมนต์หมอดีคนๆว่ามาปล่อยผมเผาเส้นคนว่าตกใจว่าเลยก็ใช่เขาก็ไปหาหนึ่งมาทํากันถึงเวลาเขาทาอาหารแล้วก็มากินข้าวล้วเขาเรียกมาเขารู้จักกันละแกเป็นคนใจบุญจับขลกจับปลามาไว้แกปล่อยทั้งนั้นเนี่ยเขาเขาบอว่าน พ่อเข้าพาข้าวกะขาก็กินข้าวกะเขบสบายพอดีฟั้นข้าวขึ้นมามันหิวหิวนนสายแล้วน่ยจะไปจี้มปนโบกับเขาน่ะเขาได้จากแขนยศใจบุญยัไปเพีนเนี่โอ้ยในใจอ้ยทุกข์กิเนาะเกิดมาในโลกนี่ทุกข์เกิดเนาะไม่สบายใจเลยกินข้าวเลวก็เลยพูนกลับไปนี่เรองจะบวดแค่หนมันรุ่นแล้วรุ่รอดลบากเหลือเกินนะอย่างนี้ ในกองตำบันกลับมาบ้านพอดีทางบ้านเขาทำวางบวชกันพอดีนาคคนหนึ่งมันลักหนีไว้ลักหนีไปให้พวกเพื่อนทั้งหลายก็พูดเย้ยกันเล่นเอ้ยนู่นแต่เอาคนนั้นเข้ามาบวชนะ่ะนักบวชเขานักใจบุญก็เนี่ยนะก็เลยไปจับมาแทงปีแกันี้ตกลงบวชเนี่โกนผมเลยไม่ได้ขานนาคเลยแม่บ้านก็ไม่ได้บอกโกน ตอนเช้ามาก็เลยมากินเออเราก็จะบวชครั้งหนึ่งจะไปบอกแม่บ้านไม่บอกว่าเกิดอันตรายนะมั่นะจําเป็นก็เลยโกนผมแล้วก็เข้าไปในบ้านไปบอกแม่บ้านพอแม่บ้านมองเห็นโกนผมร้องไห้เลยตอนนั้ น, น, น, น, นกระชือ บ, บ้านเตือนเตือนเตือนนึกแต่สุดเออยให้พูดซะก่อน ให้ฉันขอทีเธอขออนุญาตบวชเธอฉันก็เกิดกับพ่อกับแม่ฉันไม่เคยได้บวชให้เลยบวชเดียวฉันก็จะสืกอร้องให้อนุญาตฉันบวชนะพูดไปพูดมาจบลงแม่ว้านเขาก็ดีกันให้บวชนะบวชไม่ออกจากบวชเลยะผมบวชผมจะทําไงดีท่านอุปชาบวชท่านอย่ามาอยู่นี่เลยทัานจะบวชจริงๆน่ะไปเป็นกรรมฐานเลยมาอยู่บ้านก็เป็นงี้แหละอืพอได้เข้าใจก็ออกเลย นอนนอนในโบสถ์คืนหนึ่งตอนเช้ากราไปถามอาจารย์ทองรัตน์อยู่ทไหนเนาะไปให้อาจารย์ทองรัตนอืมพอดีก็พายายพ ร, รุงพลังไปภาพใหม่ๆผมภาพก็ยังไม่เป็นเนี่ยน้งไปกราบน้งท่านอาจารย์ทองรัตน์เออท่านอาจารย์อืมผมไม่มีอะไรแล้วผมมามอบกายถวายชีวิตแกท่านอาจารย์นี่แล้วออาจารย์เออดีแล้วนะบุญหลายนี่ย่างงั้นจะไม่พบอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะหนีไปแล้วนั่งกราบตรงนั้นนะ่ะ บวชมาเล้วใจผมทํำยังไงพอดีไอจอตอไม่เต็งมันมันเป็นแก่นร่อนอยู่นั่นน่ะสั่งอยู่หลายปีละให้ท่านทําเหมือนตอเ น, นี่ยว่าจอเ น, นี่ยอย่าไปทําอย่างอื่นในี่ยทำเหมือนหัวตอเ น, นี่ยเท่านั้นแหละ <c oughs> ท่านบอกกรรมฐานให้เออท่านเทศในฟังให้ทําเหมือนหัวตอ น, น่ยก็ไปนั่งคิดนอนคิดนั่งคิดนอนคิ ด, นนคดจะทําง่ายก็คิดมาตั้งแต่ไอไ อ, ไอตอไม่มันเป็นเมล็ดมันเกิดมาจนมันเท่ามันแก่จนเขาจัดมันเรื้อจะต่ตออย่างเงี้ย มันเป็นต่อขนาดนี้มันจะทําไงมันก็ไม่เกิดอีกเลย้ว<อ>พูดไปพูดมาเลยเอาหัวต่อไปไปภาวนากันโดยขยายขยายออกไปขยายไปทุกสิ่งทุกอย่างโอปอลโกน้อบกับมา ห, เหาเราเรานานๆไปมันก็คงเหมือนต่อเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรแล้วท่านก็ตั้งใจเลยเลยไม่สึกเลยอืไม่สึกไปพบจะมาว่าโยมแม่ว่านยังอยู่หรือเปล่านะ่ะไม่รู้ได้ยินข่าวว่าตายแล้ววงัน้น เลยวัวทำไมปฆ่ากันเลยเลิกกันเลยเนี่ยอุปนิสัยท่านนี้ทางกไปของท่านอย่างนั้นอยากลําบากถ้าหากว่ามันถึงใจแล้วไม่มีอะไรกั้นกลางล็อกมันก็ไปของมันจนได้พวกเราทุกๆคนก็เหมือนกันอืมะเอาไปพีนาเรื่องการประพฤติปฏิบัตินี่เรียกน้องถึงการไอความเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันลําบากเหลือเกินไม่ลําบากเท่าที่ว่ามันเกิดมาตอนนี้น่ะต่อไปอีกมันก็จะลำบาก ผู้น้อยมันก็ยังจะโตผู้โตมันยังจะแก่ผู้แก่แล้วมันก็ยังจะเจ็บเจ็บแล้วมันก็ยังจะตายมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนึ่งแต่เป็นวัตฏะมันไมจ่จบสิ้นสักทีหนึ่งเลยออืเน<ม>ี่ยท่านจริงไหมภาวนาเรื่องการภาวนานี่จริงให้ทําเป็นสมาธิะก่อนสมาธิคือทําใจให้มันสงบระงับเหมือนน้าในกระมังเรานั่นนะ่ะเราตากมาตั้งไว้เรามาควนเนี่ยมันกระเพือม มันไม่สามารถจะมองเห็นพัดลมมันจะมองเห็นฟ้าอะไรต่างไม่มองเห็นเพราะน้ํามันกระเพื่มอยู่ใจเรากือเหมือนกันนี่นั่งมันเป็นทุกข์เป็นร้อนมันมีจกวิจารณ์ถึงทุกสิ่งสารพัดมันก็ไม่มองเห็นความสงบละถ้าจิตใจถ้าน้ํามันสงบแล้วน่ะมันน้ํามันจะนิ่งเมื่อน้ํามันนิ่งมันจะมองเห็นพัดลมมันจะเห็นฟ้าตสลามันจะเห็นตัวจริงจบเห็นตัวไรหลายอย่าง นอกจากมองเห็นหน้าตาของเรามันจะมองเห็นด้หลายอย่างไอ้ตัวปัญญาที่มันเกิดขึ้นนี้อ่ะมันชนะแสงสว่างทั้งหลายี่สว่างคือปัญญานักธิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอรวยปัญญาไม่มีไม่มีการที่เราทำมันมีเหตุมีผลไม่ถึงเหตุถึงผลมันมันก็ยังไม่ได้รับผลเขียนยกตัวอย่างที่ว่าไม่ลำปอ อันนี้คนโบราณที่จะบอกเราว่าหลานต้องการไฟไฟอยู่ที่ไม้ลาปอนี่นี่นทําไงเอาไม้ลาปอมาสีกันเข้าไปเถอะไม้ลําปอแห้งๆหรือไม้ไผ่แห้งๆนี่ไฟจะเกิดตรงนี้แหละอย่างนี้นี่เดี๋ยวพูดสวดประการมาแล้วเคยได้ไฟจากไม้ไผ่แห้งไม้ลําปอมาได้เกิดเป็นไฟก่อไฟได้เด็กดุนรุ่น มันได้ย็นคนแก่แบบไฟอยู่ตรงนี้มันก็เอาไม้ลําปอไปสีกันเข้ามาถ้าไม่ไผไปสีโอ้ยใจเร็กมันอยากลายเร็วนะสีสักเล็กสักน้อยมันเอ้ยมันจะทําไมมันไม่เกิดไฟเลยมันจะร้อนเข้ามาทีนึกก็พักก่อนอู้เหนื่อยแต่แล้วมันก็เย็นเย็นก็ตั้งใจไปสีอีกสีกว่ามันจะร้อนรอนขึ้นมาก็ขี้เกียจดีแล้วหยุดสักหน่อยหนึ่งต่อไปก็สีอีกก็อยู่อย่างนั้นจนมันจะเกิดความเกิดไฟแล้วก็หยุด จะเกิดควรเกิดไฟจะเก็หยุดก็หยุดหยุดอืก็คว้งไม่ลำบากขับป่าเลยว่ามันคนแก่โกหกเรามันไม่มีไฟที่นี่นจะมีตรงไหนเนี่ยนี่คือความอดทนไม่พอไอความรังเกยียจมันถมทับเข้ามาเอให้ความร้อนมันไม่สมรุ่นไฟมันก็ยังไม่เกิดก็เหมาว่าไฟไม่มีในที่นี้อืไฟไม่มีในที่นี้มันก็เลิกจากประโยชน์นั้นไปเสียการก็ทําเพียนอย่างนี้กับมืันกันนั่นแหละ น่าเราอยากจะให้มันเกิดประโยชน์ก็อยากจะได้เร็วๆอยากจะได้เร็วๆไอ้ความเร็วของเราน่มันเร็วกว่าสิ่งทั้งหลายที่สุดใจของเรามเร็วเร็วกว่าเครื่องบินเร็วกว่าทุกสิ่งสารพัดอ่ะเรื่องจิตใจของเราเนี่มันเร็วมากที่สุดแะที่เนี้ยจิตนี่มันก็ไปสมทบกับตัณหาตัณหาเขาคพาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นทำอะไรก็ไม่ได้ตามปรารถนาคนก็ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไป ไม่เห็นประโยชน์อย่างที่ว่านักศึกษานักปฏิบัติตั ก, ก, กวันนี้ก็เหมือนกันเขาต้องการทางรวดเร็วแจะมาข อ, อนั่งสมาธิสักสองนาทีให้เป็นสมาธิน่ะนั่งตรงนี้ก็ไม่พบไปตรงนั่นก็ไม่พบไปตรงนี้ก็ไม่พบมันก็ไม่พบเดี๋จะพบอะไรมันไม่ร้อนความร้อนมันไม่สมรุ่นกันไฟมันก็ไม่เกิดขึ้นมาพุทธาศาสนาที่เราประพฤติปฏิบัติกันนี้พระพุทธเจ้าองค์ใดทําใจให้เย็นแย้แย อย่าเร็วเกินไปทําเย็นเย็นทำเย็นเยนเพราะจิตใจของเรานี่มันข้ามเหตุข้ามผลอืมอย่างนั้นอบ้านเราก็คงไม่ขโมยมีขโมยหรอกนะะจะทําไร่ทานาหาเงินหาทองมันําบากไอ้ที่เขาหารวมๆกันนเป็นยองเบาอดีกว่ามันง่ายสีมันอยากได้ง่ายอย่างนั้นเนี่ยไอ้คนเกิดเป็นขโมยก็มันเป็นเพราะอันนี้อ่ะไม่ต้องทํามันเลยเขาเก็บไปตรงไหนกัพยายามไปจอบไปมองเอาตรงนั้นแหละนะ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 อยากไม่อยากอยากให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่อยากให้มันแปลไปอย่างอื่นคือไม่อยากให้มันแตกนั่นมันก็อยากตามภาษาบานเฮาว่าอ้อยเจนเบลยากนอพีเซนามกับพิษเจนอพีเสโบกับติษเจนอหน่ะที่พี่พีเซบอลไดสแต่พี่พีอากาศคุณบอลนะฮะนี่มันเป็นอย่างที่มันเป็นการมตัญหาอันหนึ่งวิภาวะทัญหาอันหนึ่งอยากมันก็เป็นตัญหา ไม่อยากมันก็เป็นตันหาคือคืออยากเห็นหน้าคนนี้ก็โอ้ยคิดถึงอยากเห็นหน้าเรานาะไอ้คนนี้คนขี้เสียดมันไม่อยากเห็นหน้ามันอันนี้ก็เป็นตันหาอีกแล้วทุกทางนั้นแหละอยากเห็นก็เป็นทุกไม่อยากเห็นหน้ามันก็เป็นทุกมันเป็นตันหาทางนั้นไอ้ความเป็นจริงนี่ที่ปฏิบัตินี่เราไม่รู้จักจริตไม่รู้จักตันหาวิ่งตามจริดวิ่งตามตันหานั้นเท่าไรมันก็ไม่พ้นจากทุก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 แต่ฉันไม่อยากตายแต่ฉันอยากเกิดเฉยๆเนี่ยถูกไว้ยังงั้นเกิดมาเริ่มไม่อยากตายจะได้เล้อมันผิดอยู่อย่างนั้นล่ะมี่ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันต้องอาศัยการทําสมาธิให้จิตสงบระงับที่เราเรียกว่าพุโทโธพุทโธนั่นไม่ใช่ว่าพุโทโธเฉยๆหรอกพุโทโธผู้รู้อันนี้มันล่วงสามันชนที่รู้ในปัจจุบันของเราเนี่ยเรารู้สวรรค์มันรู้ที่เพียงว่ามันเป็นทุกข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 ระวับบงดีมันจะหายไปเหอะอ่าดีไปหายแล้วมันก็เกิดไม่ดีเท่านั้นแหละมันกลับไปกลับมาอยู่อย่างเ น, น, นี้นี่เท่นั้นพระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าพวกเราทําการปฏิบัตินี่จะทํำยังไงมั้งทำอย่างไรท่านว่าทํำให้เหมือนแผ่นดินทําให้เหมือนน้ําทําให้เหมือนไฟให้เหมือนลมให้เหมือนของเก่าเทานะั้นนี่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 อไม่เป็นอะไรจะไปทําให้มันแข็งจะไปทำให้มันละลายจะไปผสมของบูดของเน่ามากกว่าใช่ดินท่านจิตเข้าใจรู้สึกว่าดินมันต้องเป็นอย่างนั้นสักว่าแต่ถาดดินนะน้ะําถ้าเป็นน้ําธรรมดาแล้วนะ่ะจะไปต้งให้มันร้อนก็ได้จะไปทำให้มันเป็นก้อนก็ได้จะเอาไปล่างของตกกระโปรงก็ได้จะไปทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะ่ะน่ะน้ําก็ไม่เป็นอะไรคงเป็นถาดน้ําำ น, นี่ไม่มีอะไรไฟ จะไปเผาของเหมินของหอมอย่างไรก็จางมันเถอะไฟก็ไม่ว่าอะไรมันก็เป็นไฟอย่างงั้นมลมจะไปพัดไปโกกไอ้ของที่มันเหมินมาของสกปรปกมันก็ไม่ว่าอะไรนี่นีท่านใเทียบอย่างนั้นกองเราเนี่ยก็คือกองดินกองน้ํากองไฟกองลมคนไปหาความตามเป็นจริงแล้วไม่มีนะมีกองดินกองน้ํากองไฟกองลมเนี่ย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 โอมันอยู่ลึกหลายเนาะมันอยู่ลึกหลายมันอยู่ลึกหลายค้นหาไปเห็นเนี่ยมันก็พิจารณาไปเป็นเราเป็นเขาเป็นเราเป็นเขาตลอดเวลาฉะนั้นไอ้การภาวนามันถึงไม่ลุดมันถึงไม่ลึกมันถึงไม่จมลงไปพ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องสมมุติกันอยู่อย่างนี้นะในโลกนี่ถ้าเป็นอยู่ในโลกนี่มันก็เป็นอยู่ในโลกอย่างนี้เนี่ยมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ ได้ก็เสียไปเสียไปก็ได้มาซ้ายแล้วก็เกิดกเกิดเด็กซ้ายเลยวุ่นวายเราจะปรารถนาอย่างไรมันก็ไม่ถูกเลยข้อข้อมันเป็นอย่างนี้อาจารย์ความยึดมั่นถือมั่นของพวกเราทั้งหลายนั้นมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้ยังไกลนะโยมนะยังไกลที่สุดเท่าไหร่ยังไกลมากอืพยายามเดิมเริศพิจารณาไปแต่ต้นต้นมือเถอะอือย่าไปว่ามันแก่ถึงจะเขาวัดอยาเนะนะแก่ก็ไม่ใช่ก้อนไหนแล้วมันจะแก่ก้อนหนุนม่นมหนมุเนี่แล้วมันจะแก่เนี่ย ก้อนนี่ก้อนหนุ่มมันแก่หรือก้อนแก่มันแก่นี่อืก้อนหนุ่มๆนั้นมันแก่ขึ้นมาแก่ขึ้นมาอย่ามไปแก่ก่อนเธอแก่ก่อนเธอเอ้าก้อนหนุ่มเนี่ยมันแก่ไม่ใช่ก้อนอื่นหรอกต้องพิจารณาทุกคนทุกคนอย่างนี้ภาระของพวกเรานี่ยเดือทุกคนยังจะเป็นอยู่อย่างนี้อืเป็นอยู่อย่างนี้ทุกคนทุกคนอือย่างตระกูลพ่อแม่เราไปยังไงมาอย่างไงไหมเกิดเบื้องต้นแล้วก็แปลทํากลาง ผลที่สุดก็หลับไปไม่รู้ว่าใครไปไหนมาไหนอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงให้เข้าหาธรรมะธรรมะเนี่ยเป็นวิชาอันหนึ่งอเป็นวิชาสี่สาคัญที่สุดบิชาทุกขแขนงที่หากว่ามันจะไม่รวมในในบิชาพุทธศาสนานี่วิชานั่นยังประกอบไปด้วยทุกที่เราประพฤติปฏิบัติกันนี้อย่างน้อยก็เดี๋ยพ้นทุกไม่พ้นมากกว่พ้นในเวลานี้ ออย่างที่เขาเขาว่าให้เราเราไม่โกรธเดี๋ยวนี้ก็พ่นไปแล้วนะพ่นไปแล้วพ่นทุกอ่ะถ้าเราไม่พ่นทุกเขาว่าให้เราเราก็โกรธเดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่พ่นทุกถ้าเราพิจารณาทำมากยิ่งอันนี้มันก้อนดินนะเว้ยเขาว่าเขาว่าก้อนขิดินเยอะก้อนขีดินมันว่าก้อนขิดินกันก้อนน้ํามันว่าให้น้ำกันลมมันว่าให้ลมกันไฟมันว่าให้ไฟกันถ้าคิดไปถึงอย่างนั้นเขาก็ว่าว่าอีแล้วคนไม่มีอกมีใจ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 อันนี้มันเป็นปัจจัยต่างรูร้เฉพาะเจ้าของอย่างนี้จึงจะอยู่ได้อันนี้ไม่ถึงขั้นที่พวกเรานัเ น, นีะ่ะเด็กๆรุนรุ่นหนุ่มหนุ่มเข้ามาวัดศีลทงทีออกจากวัดไปเพื่อนเขาเยอยเออเดี๋ยวนี้ธรรมะธโมโเนะเดี๋ยวนี้อายเขาจะแลหละไม่อยากจะเข้าวัดอีกซะแล้วเห็นเด็กหนุ่มๆที่มาเป็นลุกศิษย์เนี่ยสมาเทศฟังธรรมอันนั้นเข้าใจเข้าออกไปก่อนไปกินเล่าก็เข้ามาเด่นเลยก็เข้าเอ า, อขาเข า, า, เ, เ, ข า, เ, ขาเยอยเอาจ้ เ, ออเดี๋ยวนี้ขาวัตขวานนะไม่กินเหล้ากินยาแต่นั้นเดี๋ยวนี้นะอายซะแล้วผลที่สุดก็ได้เล่นไม่ได้กันนั่นแหละมันลาบากอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเราต้องใจกัดเด็กกระทองจริงๆนะปฏิบัติของเราเนี้ยอันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นเราให้อดทนกันให้อดทนกันในระหว่างครอบครัวก็ยังดีแล้วอืมอย่าทะเลาะบวชแว่งกันในครอบครัวในลูกในหลานของเราเท่าเนี้ยเราสะสมกันขึ้นมาทะเลาะวีแหว่ง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 มันเดือดร้อนแตอดทนโดยการแสวงหาของขีพของเราก็เป็นธรรมะอันหนึ่งเป็นศีลธรรมอืให้อยู่มีความเย็นเย็นเป็นสุขเป็นธรรมะอันนี้ก็พอแล้วอย่งนั้นขาดทุนนะขาดทุนนะมันโวโสดมาแล้งโวโสดนะไปบ้านแ่ะเลาะกานานนันมันขาดทุนได้ยินไหมล่ะย้อมขาดทุนขาดทุนทั้งนั้นแหละมันขาดทุนอืมันขาดทุนไม่เห็นธรรมะสักนิดหนึ่งนะ ให้เขาใจยังไงไม่มีผลนั่นอันนี้เป็นเวลาที่ญาติโยมที่ไห้ฟังธรรมกันบันนี้พสอสมควรจนีังนั่นอาตมาก็ได้บรรยายธรรมะมาสมควรกับเวลาเอวัง